พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าเมื่อตั้งใจก็จะได้สมดังใจสุดเจ้าเห็นบ่นะ หลวงพ่อไซแวนตาดำเป็นผู้เยี่รี่ไซแวนตาดำหลวงพ่อไปทำแว่นเขาเรียกว่ายิงเลสิกเมื่อวันที่18ปที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าท่างที่ดีรนหลวงพ่อกวนเดืไซแวนตาดำกรองแสงประมาณชักหนึ่งอาทิตย์นน่ หลวงพ่อใส่แหละมันล้ำค่านบ่งหยใส่จกเถื่อนไปใส่เขาเป็นใส่ก็ใส่แว่นตาขาวเป็นแว่นกระจกขาวๆธรรมาดาสาหรับกั น, นให้ฝุ่นเขา่าตาอ่าเท่านั้นแหละมโนนไปแต่ว่าตัวนี้นะ่ะกองแสงบมวยแสงมันเขา่าจ้าเข่าตาเกินไปเพอเดี๋ยวนี้ตาของหลวงพ่อเนี่ยพอเปิดออกมาจะแจ้งจ้า ง, งปางเลยหรอไปเอี่ยเนี่ว่าเห็นใบอ่อนใบแก่ใบใหม่เห็นมัดตัวลงไปก็เขาเก่งอีหลีปะ เขยิงเลสิกตามปกติเนี่ยเขาจะเฮ็ดข้างหนึ่งข้างนึงแล้วก็เว้นเป็นเดือนหนึ่งเขาจะเฮ็ดข้างที่สองมาดีของลุงพอเนี่ยเขาเบินทั้งสองตาพร้อมกัน เ, เ, เร็วลไปเฮ็ดพร้อมกันทั้งสองตาเลยหมอโบรานโอ้ทาไมหมอยุคนี้ทําไมเก่งนะกัลสันกาว่าแต่ถ้าเป็นยุคของผมหรือบุกการเฮ็ดแล้วสองตาถ้าเฮ็ดตาหนึ่งข้างหนึ่งเดีวมันอักเสบข้างนึ่งเมันจีบบ่ทั้งสองตาเดียวสันกาวา เพราะนั้นหลวงพ่อต้องรักษาเด้อรักษาตาเด้อสันตาละห9หมื่นเก่าขางละอ่อนไปเขาเห็ดนะขางละหกมืนเก่าเห็ดเมื่อวันที 18, ่สปดเจ็ดวันที่สบปดเมื่อเหนกวันที่ยี่สิอ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สบยี่สิสองสามหมื่นเขาเนี่ยให้ใส่แว่นตาดำอยู่ประมาณสักย่างหน่อยหนึ่งอาทิตย์หลวงพ่อท่านัน่ พ่อเขาบอกว่าขางละหกหมื่นเก่าหมอผู้หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามาตั้งแต่หลวงพ่อเป็นพระน่อยอยู่บ้านตากนะเพิ่นเป็นนักศึกษาแพทย์สมัยนั้นนะเพิ่นมาฝัดฟองหลวงตาหลวงพ่อก็เป็นผู้นี่แหะอาจารย์หมออวยอาจารย์หมออุดมเกศ ส, สิงโปรสากกิศนะหลวงพ่อป็นผู้ดูแลมาแล้เพิ่นมาเห็นหลวงพ่ออ้าวถ้าทํา ตาของหลวงพ่อผมประวรลนาคนนันก็เลยปรวันาเอาลงไปคนจัดการใจเองแลยเนาลไปหมอใจใหาเอาลงไปหลวงพ่อเนี่ยอืมที่แรกหลวงพ่อก็ดเด็กหนุ่มแสนกว่าหลวงพ่อเกิดขยุกขึ้นกันแล้ววะโอ้แพงแต่นี่ว อ, อแต่ว่าพิ่เจ น, น่าอกีกมุมหนึ่งกับหลวงพ่อก็ซอย โลงเลียนซอยโล่งพยาบาลซอยตึกสงอาพาทซอยยังต่อซอยยังมาหมากแล้วก็น่าจะให้ซอยเจ้าของบังเตึกหนีไฟก็นตั้งแปดสิบกว่าล้านเครื่องมือของแพทย์มองละสองล้านสามล้านโล่งลำโร่งเลี้ยนซีหาล้านหาหกเจ็ดล้านส่างโลงเลี้ยนไปบาดทะเจ้าของปรตาบอด ขีดที่เจ้าของอมนนั่นกรนะบอแม่นแนวคือเราเอพยคนว่าในรักธรรมคนว่าอหางสุขีโตโหมิขอข้าวไปเจ้าจงเป็นสุขคนน่นเองอาหางไปว่าขาดเลยอาหางสุขีโตโหมิขอข้าวไปเจ้าจงเป็นสุขนิทุขโขโมิอเวโลโหมิเอ่ยจากนั้นก็สัพเพสัตตาสุขิตาหนตุขอสรร พ, พสัตว์ทั้งหลายเอ่ทั่วไตรโลกธาตุข อ, ขอให้มีความสุข อย่างที่เข้าไปเจ้าตองกาดอย่างที่เข้าไปเจ้าปราถนาเนี่ยสัพเพสัตตาคำว่าสัตตาคำเลยสัพเพสัตพวกเข้าคยชินแต่ว่าสัตคำว่าสัต์นี่ก็นับแต่สร้างมากวอกควายหมูหมาเป็ดไก่โกบเขียดมาแล้งเข้าว่าสัตตัวนั่นไปพวกเข้าทนัตว่าสัตตัวนั่นไป แต่ละกธมคำสอนของพระพุทธเจ้าแปลว่าสัตว์คำนี้แปลว่าสัตตะแปลว่าผู้คล่องผู้คล่องอยู่ในภพในชาตินับตั้งแต่พมลงมาวเราไปเทวดาทุกสันพมทุกชัน้นขันยังพ่ะท่านมัตกิเลสยังพรท่านเป็นพระอรหรันต์แปลว่าสัตว์ทั้งมดแปลว่าผู้คล่องอยู่ของอยู่ในภพในชาติของอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะ อัสัตตาแปลว่าผู้ข้องผูกข้องอยู่ในกิเลสเนี่ยน่ะสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุขอสัพพสัตวทั้งหลายจงเป็นสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานเป็นว่าแผ่เมตตาเพราะนัะน้นหลวงพอมีแต่สัพเพสัตตาสุขิตาหนตุบัดห้เจ้าของตาบอดอยูเมือนกับบ่แม่น้วให้เราเนาะ กเเอ้าอาหารซุกิตโตโฮมิซะแสนกว่าบาทแต่ก็เป็นปัจจัยของหลวงพ่อด้ะเนาะปัจจัยของโยมโยมหมอเพิ่นถวายหัวหนาไปเพราะท่านออกจากลานถูกมเพิ่นจัดการแล้วนาไปจ่ายขวักขากแล้วหัวหนไปหายครับโล่งพยาบาลเขาเลยพราโล่งพยาบาลหมอผูพาตัดก็เห็นหมอคนนี้ทำบุญมันก็เลยเอ้า ผมขอสมทบหนึ่งหมืนบาทนะผลวันเดย์หมอผูพาตัดเปิ้ลก็เลยสมทบมาอีกหมื่นบาทไปหลวงพ่อกับโมไม่อย่างมิแต่เจ็บตาธนารบัติเ้ยกับในตาใสวัน ไ, ไปเ <c oughs> มื่อวานหลวงพ่อก็ได้ยิ้นข่าวดีข่าวเรืองเจดีของหลวงตาเนะะ้อคณะทาญาิโน้มหลวงพ่อก็อดบอกว่าไรขึ้นกันแต่เนยวันท่านไลยมีการประชุมแต่ว่า มวนันวันที่ส9เกาผู้วาราชการจังหวัดอุดรกรับร่องผู้ว่ามัง เ, เขาไปเฝ้าทุ่นกระมอมฝ่ายหญิงจุราพรไปไา่งานเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์ของหลวงต า, าพระ อ, องค์ท่านเพิ่งกระบอก่าเออเอาเอ า, เอาตรงที่คณะสงฆ์และคณะทิดทั้ทงหลายเห็นผองตองกันที่ว่ามันดีนะ่หวงที่มันดีเอเินก็ บ, บว่าเอาหวงมันดีลหะนะ ป่าเนียเพิินก็เลย อ, อนุญาตให้คณะผู้ออกแบบเจดีลงตาเนี่ยเอาเอาไปออกแบบใหม่นะออกแบบให้มันเข้ากับรูปเจดีพิพิธภัณฑ์ของท่านพ่อเอาให้ดีทีุ่ดนั่นละเพลินกับอนุมัติอนุญาตออกมาแล้วเมื่อวันที่สิเกนะหลวงพ่อได้เงี้ยนหลวงพออ่อเออสบายใจหลวงพ่อได้เงี้ยนก็เออก็ดี แต่หลวงพ่อเนี่ยเอามองไรก็ได้สุดแท้แต่ขอสำคัญพี่น้นองอย่าทะเลาะกันสร้างหมองไสร้างหมองบอทะเลาะกันนั่นแหะสางมองหันละหลวงพอวานมองไรบอทะเลาะกันสร้างมองหันมันมออไปขั้นว่าทะเลาะกันอยู่บอลงร้อยกันอย่าไปหาสางหมองจังสันพ่อสางขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็มอบเดี๋ยวก็เดินขบวนมาไล่กันเนี่ยมันจะบอแหลบอทัวนะเหรอวะเพอานั่น สร้างตรงที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันหมองไหนสางมองหันหนะลวงพอบอกแต่หลวงพ่อก็อตามไม่จริงหลวงพ่อกัอนที่มองสเสหิตอยู่เดียวนี้นะหนะลวงพ่อก็อว่าเห็นด้วยมองนี้ละ่ะอย่าไปให้มันใกล้วัดหลายอยให้มันใกล้ท่างเขาออกไรบ่งเม่นหนึ่งใกล้โอ้ไกลท่างเขาออกนะเอามาอยู่มองห่างๆไปก็ดี แต่วอกช่วงนั้นบ่ได้ลวงตาบ่ให้เฮ็ดมองพี่เอ้ามองเห็ดเมื่อกีเหย็ดมองไดนเอามองพ้นหอเอามองพุนก็มองพ้นบาดเราไปมากกลับมามองเกขาอีกบัดหลวงพ่อก็าบอกว่ามองเกขาก็มองเกขาได้บ่เป็นยังมองมันถื่อกันนั่นแหละแต่หลวงพ่อให้ความเห็นตั้งแต่งานหลวงปู่ลาเจดีหลวงปู่ลาหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปหายาสงเจดีย์มองเนี่ยบ่มองเผาเพิิน มองเผาเพิินกัแมนยูแต่มันอยู่กลางวัดโพธคันวต่อไปไพ่าภาคนาคิดบางเฮดีได้พาลูกพาหลานได้วะเฮ้าไหนที่เถาเป็นนาคันว่า ค, นค้นขึ้นมา ก, กาบพระเจดีนี่มันหมเแมนแต่คนวัฒนธรรมไทยได้วะใส่หนงสินเคินเคินเค็นเค็น เ, น เ, นเออเผลอเผอจิบเออเปิดอกเปิดอ ย, อย่างอีกต่างหาก ปลาลงฟลงตางราวตางแดนเขา้ามานี่ยพระจิมะอยู่ใดจังใดผาหน่อยพานมนะมันอยู่มองอัไรีิเดี๋ยวตะปะแตกมัดเนา ะ, ะหาพระสิฟวัดปมีได้สู้เจ้าไปอย่ามาฮาัสางนะมองจังสีวาไปหาสางลบๆไปของอื่นให้คนไปกราบนั่นนันานพระจึงโพไปเบิงเทอนึงไปตูแลกความสะอาด อ, อ่บอแมนพระพวกนั้นก็จะยา่างโลลาโลลาโลลาอยู่นี่ คือยังเห็นไปกราบประทัดพระเจดีย์หลวงพรบวเห็นนําแล้ววะหลวงพ่อพระโบล้านเด้หลวงพ่อนี่รพระ โ, โบรานเนี่ยขึ้นไก่วนไปพวกนั่งก้อยหัวชุนฝาดันทุลังเอาก็ะชุดแทะแตะวะพระหสัสางเจดีย์หลวงปู่ลาลวบัดให้พระไปเบิ่งลูกบาดเนี่ยเอายางขึ้นไปในมิดจอยเลยป่ ม, มีพะระเลยแถวนั้นพระไปหานางเฝ้าอยู่แถวนันได้น อย่างที่หลงพอวานี่ยแล้ว อ, อบะจักเกจประจักพลังบรจักญี่ปุ่นบรจักษเนี่ยอย่างบอเมเนวมัฒ น, น, นาถ้ำคื อ, เ, อ, อเมืองไทยเฮาเด้อว่านี้การจังซอยสุเทพเป็นยังไข่อยู่เด้เอเอ๋ใครจะเข้าไปขึ้นมาดอยสุเทพแล้วขึ้นไปกาบพระเจดีต้องเอาผ้าถุงห่มทุกคนเน่ยผกฟลองฟลอ่ะอันนี้ไผ่จีไผ่เฮ็ดปานันบัดเนี่ย ม, มันยากโยออกไป แต่ขนาดนั่นมันก็ยั่งผลใกล้ๆที่เขาทุกคนเขาก็ยังคอยเอาผ่าถุงให้นุ่งก่นออกไปบานเนี้มางอ่างหลวงปู่เพี้ยนบ้านเนี้ยหลวงพ่อบอกว่างพี่น้องไงวะขัน ว, ว่าเท่าสี่เอามาสางถาดสางเจดีย์ตรงที่พระราตท่านเพิ่งของหลวงปู่เพียนเท่านี้ก็บั้นกับเขาพานสาราพานโล่งขั้วพระฉันนํำหอน มันก็ดจาบอดีมั้งพี่นองเอะไรวะสางหมองซะนี่จะดีบ่เนี่ยพราะเขาเข า, ม, าเเม้าอะไรก็แมา ก, กาบนี่แหละเขาม้าหมองสะนี่เลยย่าให้เขาม้าหมองสะไล่ยัให้มาหมองโลค น, นําห้อนกั้นเขาม้าพี่แล้วพระจิยุไสล่ะเนี่ยพระผมมีหมองอยู่ด้วพอมันเขามากลางวัดโพธิ์ลงพอว่าวเอาท่างนอกใด้บ่ต่างผ่าเอื อ, อสุดแท่แต่เลยเอาเอาท่างนอกเนาะ ก็เลยเอาทางนอกก็เลยสางใส่สะนาม น, นั่นเองคือบ่ให้เขามาทางในหลวงพ่อก็ถามว่าอันนึงสางใส่สะอันนึงสางใส่โคกนี่ยคาใส่ใจนี่มันแพงต่างกันกว่ากันจังไหนแพงกว่ากันหลายบอนะ่อเข า, าบอกหลายดอกหลวงพอ่อประมาณสักสองสามแสนนี่แล้วโอ้ย ส, อสามแสนเอาเอาเลยวะเอาใส่สะนั่นแหะเออพอว่าตอกเสาเข็มลงไปก็มีแต่ ต่อเสายืดขึ้นมาในโซงเสายืดนนกนสองสามแสนนี่แหละลงพอสันแนวอื่นก็คือการมดัดสันเออเอานี่แหละอันนี้ก็คือเจดีย์ของหลวงปู่เพี้ยนว่าในเจดีย์ของหลวงตาในหลวงพ่อก็บอกเออพี่น้องเขาเป็นเอวัยทั้งหนกก็ดีว่าอันนั้นเป็นว่าเป็นพุทธาวาดเป็นอาวาดของพระเจดีย์เป็นอาวาดของพระปะลมสารีเลขาฏ มองวัดเท่าเนี่เป็นสังฆาวาฏซะเป็นทีิยูของพระสงฆ์มันคนละมุมกันอันนึงสังฆาวาฏอันนึงพุทธาวาฏนะมันอยู่คนละมองกันถ้าแยกใจกันก็ดีขึ้กันนะเออก็เลยมาลุม่มปรตุมประตุมมาลุมกันไปตรงพอก็ไม่ต้อฟังเหมือเอา้ามองไหนมองมันหมดทะเลาะกันนะะ่ะแหะแต่เมื่อวานได้ยินข่าวาเออออกไปทางนอกสั่งไปทางนอกก็มาขอเพิน่นเพิ่นก็เลยเห็นด้วยนะ อันนี้ก็เป็นข่าวดีอันนึงเพื่อจะได้สางซะเอดีขององค์หลวงตาของเงินก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็ได้รวบรวมได้แล้วทั้งหมด363ล้านกว่าบาทเแล้วก็เงินอยู่กับทุนสมบัติถวายกับทุนกระมอมฝ่ายหญิงอีกหนึ่งล้านแล้วก็ก้นสมทบโอนเข้าไปในบัญชีของทุนกระมอมอีกก็หลายพาอสมควรอยู่ ท่บถึงลอยล้านอยู่ว่หลวงพอว่าน่ะแต่ตามไม่จริงก็น่าจะเพียงพ่อแลล่ะขั้นพอล่งมือสางเนี่ยพวกเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะมาล่มมาตุ่มกันอีกเห็นประมาณสีสางแต่พรเจดีบริเวณล่ะสาราไล่ล่ะสะล่ะสะสาน้ำล่ะหัวล่ะกําแพงล่ะเออล้วก็ทีจอดรถล่ะสวนยอม่ะมันหลุนแล้วแต่ได้ใส่เงินทั้งมัดนน่ะ คิดว่าผมมีปัญหาแต่เมือนสร้างเจดีย์ของหลวงตาขึ้นมาแล้วกับพวกเาขาคงจะประลุมตุ่มกันคนละไม่คนละเมื่อคนละหมัคมกคนละหน่อยก็คงจะผมมีปัญหาหอกว่าหลวงตาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองกับลูกกับหลานของพวกเข้าพวกเข้าทั้งหลายก็คงจะลําลึกถึงพระคุณของเพิินเป็นนว่าหลวงตานเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกา ร, ระก่อน พวกเฮาอยู่เบืองหลังควรจะแสดงความกระตันญูกระตเวที่ตาตาองค์หลงตาอย่างไรเป็นอย่างไรหลงตาจึางมีอุปกระคุนรำมะองเพลินกับปวดตองเบาละ่ะธรรมเทศนาของเพิินกับปวดตองเบาตีว่าเนี่ยคือหลงตาบ้านเมืองปีสามสบเก้าสี่ศูนย์บ้านเมืองของเฮาเตุ ป, ปัตตุเปตุลักตุเลกเกือบเสียลมทั้งยืนว่าเราไปเพราะ เห้าเสียเปรียบต่างประเทศ เ, เงินบาทของเห้านี่ยต๊กยางทะลุทลาดเลยผูนี้ทุขกันเนี่ยลงตาโดดออกมาจากปลาหากระดมท่องข้าจากพี่น้องลูกหลานาแกวแหวนเงินท่องของผู้ใดมีเอาออามาร่วมกันหนลวงพ่อนี่ได้ตั้งลอยกว่ากิโลกนเี่อคณะชัท่ายาจมของหลวงพ่อนี่ ย, อ, ทท ย, ย, อ, ยอยแปดกิโลกน่ะ เขาไปถวายหลวงตาบวมเป็นกิโลเขาได้กิโลท่องบัคักกว่านไปกิโลท่องคัมวนไปเออแต่คิดปิดเงินกูมือน่นสดใอวนไปนี่แหละรวบรวมปะดใบต่างก้นต่างมีรวบรวมกันเข้าไปได้ถึงสิบสามตันกว่านะหลวงตารวบรวบได้สิบสาตันกวาา่าภายในท่องคัมโมนาเนขาไปคัมยันในขังหลวงข้างหลวงลคือธนาคา่าน ชาติธนาคารของประเทศเงินอันนี้ท้องคําเขาไปค้ามยุหันไปเมืองไทยบวมนเมือ ง, องทุกเมืองจนเลยเป็นเมืองที่มีท่องคํามขนาดนี้ละบ้านนี้ก็พิมพ์ธนบัตรออกมาบา้าพิมพ์กระดาษออกมาก็มีคุณนค่าเพราะเหตุใดเพราะว่าไอท้ทองขําเขาไปค้ามยุหันเลยท่นว่าประเทศไหที่บวมมีท่องคําบวมีอย่างค้า ธนาบัตรก็ตกต่ำเอยธนบัตรนี่ยก็ตกต่าเพราะว่าบ่มีทองคาคำอยู่ในขั้งหลวงนี่แหละที่พวกเฮ้ามีเงินธนาบัตรของพวกเฮ้าแข็งป๊กอย่าเดี๋ น, นี้ก็เพราะว่าเงินทองคำของหลวงตาเขาไปอยู่ในขั้งหลวงส่วนหนึ่งแลหละโนไปถ้าคิดเป็นเงินของมากก็หลายหมื่นล้านาทิพทามตันนี่นะหลายหมื่นล้านโนไป เราคิดเป็นเงินออกมาเนี่ยนะเงินสามสี่หมื่นล้านน่ยแปลว่ามันแมนบอแมนหน่อยขึ้นกันเลยทําให้ประเทศไทยของเฮ้าเนี่ยหายใจได้สบายสบายส่วนหนึ่งเนะ่ยเพราะนั้นถือว่าหลวงตาเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะร ค, คุ้นต่อประเทศชาติถ้าเฮ้าคึ้นะถ้าการหลวงพอบอวหยฟังเนี่ยทีกะพวกเฮ้าอาจจะโบหู้วนไปแต่หลวงพอบอวยฟังนีน่ยคิดเป็นโรคบาดเยมันแมนบอแมนแมนแท้ แ, ทแล้วนะ แน่แน่แหละพวกเข้าได้เงี้ยนกับโตๆกันไปเออหลวงตาเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเขานะ้านนะลูกหลานน่ะเข้าได้ใส่เงิ้ยนทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่ากับพกหลวงตาของเขานี่แหละ อ, อ่เป็นผู้เป็นหัวหนาเอาท้องขําเขาข้างหลวงเงีนของเข้าจึงมีคุณค่นานะนี่แหละบาเนี่พ่อมาถึงโคงชุดท่ายของหลวงตาบัดเนี่ยหลวงตาจุดตินีราพานไปแล้วนี่ย อ, อ่พวกเข้าลูกหลานที่แสดงความกตัญญูต่างๆ นี่เจดีพระธาตุองเพลนหรือสิว่าปันหาให้แล้วก็แล้วแล้วเข้าไปหายยุงยังเอาจังสันบ่อกน่ันจังสันกับบแมนลูกลานาผูมีความกระตันยูแหละผูกระตันยูก็เอามีเท่าไหเข้าไปสื่ออื่นเข้าไปสื่อหวยเขาก็ยังสื่อใดสื่อพิษสื่อถืออันนี้เขาสื่อธรรมะแสดง บูชาพระคุณองค์หลวงตาเนี่ยลอยหนึ่งพันหนึ่งสิบวันใดบอกว่าฮนะครอบพ่อของเฮาเนะการนร่นแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลสําหรับตระกูลหรือครอบพ่อของเฮาหรือตัวของเฮาทุกคนนะ่ะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อว่าบม่อนามีปัญหาเรื่องสร้างเจดีย์ของหลวงตานะนี่แหละก็เป็นว่าอันได้ยินข่าวดีก็เป็นว่าคงจะมีทีลงและละบาทเนีนะ่ปูออกแบบก็เริ่มจะออกแบบนะ อย่างนานไม่เกินแปดเดือนอก็ว่าจะออกแบบแต่ว่าแบบเมียแหละแต่ว่าหันซ้ายหันขวาหันหนาหันหลังวนไปเออหันให้มันถูกกับภูมิทัศน์แล้วก็สำรวจพื้นดินอีกว่ามองนี้แหละมันเป็นดินขีเล่นขีโตอมว่าจะใส่เสาเข็มเน่าปันไดะจะได้สำรวจตรวจตราบัางอีกข้างนึงก่อนที่จ ะ, ะลงมือสร้าง อ น, นี้ก็พวกเข้าค่อยฟังนะแล้วก็เมื่อนี่เป็นวันเสาร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2557 1เมื่อนี่เป็นวันสําคัญทางวัดเท่าวันหนึ่งเป็นวันบวชพระบวชพระไหวในพระพุทธศาสนาเมื่อนี่จะบวชพระหกองค์เมื่อนี้ยนะพอฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยเนี่เขากับบวช เดี๋ยนี้ต่อไปนี่กัพระสงฆ์ให้พรอน่อยพรอนเช็จแลยกับวกข้ากับท่านอาหารตามอัธยาศัยเช็ดแล้วกับผวกนาคทั้งหลายกับกอกใบสมัคกใบสมัครบวชเพราะอุปชาพันจะเอาใบสมัครใหม่เท่าก็กอกาะเพราะเกาะเช็จแล้ว ก, ก, กัมีผูรับรองพี่น้องลูกหลานปุญญาตายาย่ายนะในตระกูลนะเป็นผูรับรองว่า หนาคของขาพระเจ้าเนี่ยลูกหลานของขาพรเจ้าเป็นคนดีจริงอข้าพระเจ้ารับรองขั้นบดีจริงอย่าไปหารับรองได้ผู้เท่าได้จับเข้าคุกแท้ๆได้ อ, อลูกหลานเจ้าของไปหากินเหล่าไปหาเป็นขีเขาม้อยมากแล้วมารับรองเนี่ยผู้ใดรับรองกับผู้นั้นแล้วติดคุกว่ะหลวงพ่อพอติดคุกนั่นได้นเนี่ยออพอเส้นรับรองเรียบร้อยแล้วข้าคืนมาแล้ ว, ว่อนี้ใส่ชุดขาวขึ้นมา ก็มา ก, ก็เตรียมตัวบวชละบวชทีละสามองแปลว่า6องค์ก็พอดีบวช2ชุดก็ใช่ไหลาชุดละ1ชั่วโมงกว่ากว่านิดหน่อยน่าจะเซ็ตได่นี่แหละมือ่อได้เขาก็จะได้บวชพระหลูกพระหลานไหว้ในพระพุทธศาสนาไอ้อันนี้เป็นหลอดหนึ่งหลอดต่อไปก็คงจะเป็นวันที่วันที่29นะวันที่ยีหลวงพ่อจะรับอีกแปลว่าหลอดใหญ่ ใจซีเมนสีเมนทักขงกับพูหูล่ะอันนั้นลดเขาพันษาผู้ที่แสดงความจำเน่งเป็นขราฐการที่ขอลาบวดสเดือนอันนั้นหลวงพ่อจะรับวันที่29พร้อมกันแล้วก็จะบวดวันที่6กกรกฎาเป็นวันบวดรับวันที่29เกเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนที่จะเขาพันษาสองอาทิตย์เขามา เป็นนาคหนึ่งอาทิตย์ฝึกฮัดขานนาคได้ขั้นบมได้บ่อยบวชขั้นฝึกฮัดขานนาคได้แล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก่อนเขาพรรษาเนี่ยครั่ทองคำอธิษฐาพนพรรษาทองค่ําำวิธีการแสดงอาบัตให้คล่องอะไรกับปับตัวในการเป็นยูเป็นอันวาก่อนเขาพรรษานี่ยสองอาทิตย์ จากนั้นก็เขาพันษาแหะทนีเขาพรนาสามเดือนอันนี้เลยคือวัดว่าศาสนาหรือวัดของหลวงพอ่อนี่ทีเปฏิบัติการมา้ารับพระลูกพระหลานเขามาบวชแต่หลวงพ่อเน้นนักว่าผู้ใดทองบารายหลวงพ่อจะบ่ให้บวชทองบารายบางคนกับมาแบบโอ้ยผมทำงานบริษัท ผมมีเมวลาจำกัดครับผมขอบวชเจ็ดมื อ, อบวชเจ็ดมือจะบวชได้อย่างไนทองเอสาหังบ่รใดผมอยากบวชครับ อ, อุปชา บ, บางค้นกับตามใจด้ตามใจนกักแต่หลวงพ่อนี่บอ่อแล้วหลวงพ่อนี่บอ่อให้บวชเด็ดขาดขั้นบ่รใตามกฎตามเกณฑ์พพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นศาสนาของหลวงพ่ออินเน คำสอนศาสนาพุทธเป็นของหลวงพออ่งพออินเ น, นี่ยหลวงพ่ออินบอกอย่างไรก็แมนอันนี้เข้าต้องพุทธศาสนาเป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัง้งกฎไว้จย่างไรเข้าต้องปฏิบัติตามนั่นแหมก็แมนอย่างหลวงพ่ออินบอกแมนอย่แล้วเบี่ยวซ้ายเบี่ยวขวาลูกล้านผู้ใดมาว่าปละถืออกถือใจแล้วก็เอ า, อาเอาโลดอ่อวยตามมันโมแมนแนวเด้เออเข้าต้องปฏิบัติตาม รักถ้ำข้าสอนพระพุทธเจ้าพลว่าต้องเอสาหังให้ได้ต้องขอให้ได้ด้วยตนเองโมแมนสิทธิอเขาว่าคณนะโมตัสะก็ยังบ่จบนะโมตัสะนะโมตัสะพระเขาวาโต้พระาวาโตน้ากลนะเอสาหังเอสาหังพันเตพันเตจนจบมันโมแมนผู้บวชเป็นอุปชาบวชวนไปเพราะอุปชาเป็นผู้บอกนี่แหละ พ่อบวชขามาาหลยไอ้ผู้ที่มันบวชในเรื่องมันก็บวชในเรื่องคือเก่าในพี่น้องลูกหลานมันแมนความพอพูดแต่เจ้าพนวายอิลีเดยพ่อบวชขาม้าบาดเลยลูกเลี้ลูกรล่นเอาแต่ใจเจ้าของพ่อบวชขามาได้เจ็ดเมื่อกี้ซึกออกไปไปเอาไปเขาได้ศึกษาอย่างเด้กพ่เขามาบวชพรตดเสพผาเหลืองจะซีอวไปเออเขาไปปวดอยู่ในวัดโมไม่ยังเ อ, อี่ยโมเป็นกามิตจีเลยโยบุริเห็ุยัง ดูเช่นในวัดเอ่อเฟื่ฟัดให้คนขีข้านคักๆพอพอพ้นว่ได้ศึกษาเด็ไอ้มอได้ศึกษาคลายๆกับว่าพ่อบวชพ่อว่าเลยเหตุงานมัดมื อ, อตีนั่นตีนี่ทุปนั่นทุปนี่คุดนั่นคุดนี่มัดมืออันนั้นคือเหตุงานแต่หลักของพุทธศาสนานนม่อเป็นยังสั่นบานเนี่ยผัวเขาศึกษาดีๆศึกษาในพระไตรปิฎกศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเพิ่นไปบวชอยู่ในป่าเบื้งโนกตป่าเนี่ยปีเพิ่นไปเห็หยังกวาเข้าคือเบื้งน้ตอันนี้บ่อล่มมาคล้วละบาดกบ่อร่มมาคร้ของพวกเขานะคือพระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงว่างไปแล้วไปอยู่ฝั่งแม่น้ําอโนมาณทีไปทรงผนวชก็ทรงผนวดเพิ่นเห็ดบยังผ่านเพิ่นมีจอบมีเสียมไปบ่อมีดาบไปน้ำบ่ ขนามมีพระแสงดาบอันนึงตัดพระโมโลี่ตัดผมเลพราก็ยังหมอไปหน้ชฉันนะเอากลับมาเวียงวางออกไปเครื่องประดับทั้งหลายเอามาหมดมีแต่ผ่ากาสาวพัดผ่าที่ย่อมฝาดหุ่มเจ้าของนะก็มีบาทใบหนึ่งเท่านั้นะเป็นเครื่องขอท่านอยู่ในปา่าไปบินนวาตมาฉันเชนแล้วก็มาบำเพ็ญมาเบงใจของเจ้าของอนะ่ะ เออเพิ่นโมเมนต์จิตตะไปบวชอยู่ในป่าแล้วเออมีจอบมี้เสียมเพื่อนไปทดสล่องทดสอบปลูกหมักมปี่ปลูกหมักม่วงในป่าหมแถวนั้น อ, อ่แล้วก็พ่อมกันเพิ่นกับมีปักงปากกามีสมุดดินสอไปคิดเรื่องเลข เ, เ, เรื่องบัญชีเออหรือว่าจิตตะะเพื่อนไปบวชแล้วเพิ่นไปเบิง้งเป็นหมอดูหมอเดาหมอเสกหมอเปา่าหมอค้าทา เพื่นก็บพอดีวาจังสันนะหกปีเนะี่นไปอยู่ทดลองพิษทดลองถูกอยู่ถึงหกปีจนที่สุดวันเดือนหกเพนนะวันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้าสิทธัตนะเนี่ยของเขาเนะี่วันเดือนหกเพนตะเวนว่าท่านตกดินนายโสตียาได้น้ำยาข่ามาหาบยาฆ่าแบกยาข่ามาแปดกำมือผ่านมา เห็นสิทธะนางอยู่ตามลําพังคือนสีนางบรสะดวกนางอยู่เหงาตนโพ่อนะเหงาตนโพพวกเข้าเคยเห็นเม่นบ่ละหากมันฟูขึ้นมาตะปุมตะปั่มเนีอยโอ้สิทธะเพลินขึ้นสีนางบรสุดวกเพลินสีนางอยู่เหงาตนโพตามลําพังนะมาไนโสธิยากเกิดความเคารพนับถือเหลื่อมใสเห็นสิทธะนางอยู่ก็เลยเอาอยาฆ่าแปดกำมือเข้าไปมอบให้เพิินอพ่อ ทิฏฐะพ้นได้หยาค่าจากนายโสธยาแปดกัมือไอ้ซีกับมือหนึ่งพ้นกับพาดไปทางหนึง่งซีกัมือนึงกัพาดหนึ่งกับประสานหัวประสานหางกันน่ะประสานกันจากนั้นก้อนที่พน้นถิบว่างหยาค่าเพน้นจะว่างทางทิศใดเพน้นก็บังว่างทางทิศตะวันออกพน้นกับว่างห ย, ยาค่าทางทิศตะวันออกปูเป็นอาสนะทางทิศตะวันออกจากนั้นพอปูเสซ็จเรียบร้อยแล้ว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 มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นออันนี้ลกลคือภาละเล็กิโุละการงานของพระต้องเห็ดอย่างพระพุทธเจ้าเหติอบอแมนจะไปใส่ครบรอบเรียนไปคุดดินมัดมือมัดเวทบอแมนนอนไปงานของพระเนี่ยคือนางภาวนาบังใจโจของเออเอาเถอะขนาดเออพวกหน้าเขามาไหมเกิดึงหูลิดตมเขาม่าอยู่วัดอย่างช่างเสียวนไป บางนาควางตัวอจะห้องหายเฮกอซื้อซักโยบหูจักคนออกไปก็ปเหตุใด เ, เพราะมันคิดถึงบ้านนั่นแหละตัวกิเลสพลันวันนั่นะหล้ความคิดถึงบ้านนั่นแหละตัวกิเลสเนี่ยความรู้สึกนึกคิดออกนอกหลกูนอกทาง น, นั่นแหละตัวกิเลสเพื่น้เบิ้งหม่งหันเพราะพ่อใจเจ้าเพื่นก็เบิ ง, ง, บบงขึ้นกันเลขนาดเพื่นเป็นนางอยู่เหงาตนพ่อมือนั่ะต่อมืออื่นๆพลั น, นเบาเลย มือื่นอื่นเลสิพ่อแห้งขึ้นกันขึ้นกันกับพวกหนักเข้านี่แหละเอาน่อไปเอพื่อนหนีออกจากเวียงว่งเฉยๆคือทอดอย่างไรมันบ่ละเพื่นมีความสุขจยงไรอยู่ในเวียงว่งอ่ะอบ้านาเพื่นมาอยู่กันสันเพิ่นก็ต้องคิดถึงขนมกำนันหน้าออาหารการบริโภคการเป็นอยู่สนุกสุขสบายของเพื่อนอ่าเพิ่นก็คงจะคิดถึงละเพื่นอยู่ตั้งหกปีนะแต่มือนั่นเพื่นก็ยังมีได้ มีพญามานเขามาเขามาลั่งควานเผินผ น, นงังหยุกเหงาตนโพติ์ตนว่ะคอพญามานเขามาต่อมากกับพญามานกับทรงนั่งตันหาราคขาอรารดีเขาไปเขามาลบ ก, กวนอีกอนั่งตันหาราคขาอรารดีขยันกับขึ้นลาคขาโทษสาโมหะเนี่ยขึ้กิเลสเนี่ยแะเขามาอยู่ในจใิตใจมารุมมาตุ่มกับพระองค์แต่พระองค์เป็นว่ะคาพระเจ้าอาสีบอวันไหว กับสิ่งทางหลายทางปวงกับกิเลสทั้งหลายทางปว ง, ง, ง, ปวงข้าพระเจ้ามุ่งมั่นต่อทั้งพนทุกเท่านั้นที่พอเป็นอย่างอื่นศีรษะเป็นตั้งเจตติฐานไรบ่ด้วยความมั่นใจหรือความตั้งใจจริงจะบวันไหวไกวแวลงกับเรื่องกิเลสรากะโทษะโมหะโหลภโกรงทั้งหลายทางปวงจะไม่วันไหว มีทางเดียวคือทางพ้นทุกเท่านั้นสิทธะพนตั้งจิตติฐานยังแน่วแน่เลยวันออกไปหนึ่งบวมมีสองในใจในพระท้ายของพนหนีออกมาจากเวียงว่างแลยจะตายไปกับไปขึ้นมงเกาได้จังไดตายดาบหน้ า, อ, าอย่างที่หลวงปู่หลาพนวานะาพนบอกเป็นข้าพังเพื่อยอถอยหลังกลุ่มกุมพันสิถือหุม่มตายนาพุ่นยังสีย่องว่าดีคนไหนหลวง หลวงปูหลาเพิ่นวอกเป็นค้ามพังเพ่ยวนลงไปไ้คนบัวล้านเพิ่นศพออกเป็นค้ามพังเพ่ยเด้เอถอยหล้งกลุ่มกลุ่มพันทีถือหุ่มเยใครๆบอกขั้นปูรย์ไปทั้งหนาเลยกับมากขึนว่าเน่ยไอไทยบ้านไทยเมืองก็โอ้ยเบื้องน้ทำทาวอกมันผสมข้อวอกเบื้องโน้หนะ่น่ะเขาถือหุ่มเนอะเขาลุมปะนามเนอะไปเขาลุ่มปะนป้ำ เ, อเนเอะหลวงปูหลาเพิ่นว่า เพราะนั้นพวกเข้าทั้งหลายขึ้นกันต้องสู่มโนไปตายดาบหนามโนไปเอาดาบหนาสู่เลยมโนไปเพะพระพุทธเจ้าผืนผ้าสู่จังสัน้นเลยผนพระพุทธผ้าเห็ดงานอย่างอื่นพราะนั้นขอให้ผาลุกพาลานผาโน่งผาโนงทั้งหลายให้สู่ให้สูต่ตอรักถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้าที่ผืนผ้าสู่มาแล้วเป็นผู้ชนะมาแล้วเป็นผู้เลิศประเสริฐอนะย่าถอยหลัง อย่างทีนั่งตันหาราคะพญาม่านมาต่อสูนะเอจนเห็นบนะ่แล้วพระพุทธเจ้าสะดุงมา่านพระพุทธเจ้าพนังคัดสมาธิพญามานเขาม่านบกวนอย่างไายแร้งหมดไปตันหาราคาอัลดีพระพุทธเจ้ายังเอามืดปกอามืดตบมาหัวเข่าขางหนึ่งอันนี้ว่าพระปางสะดุงมา่านพนะสะดุ้งกับพญามานที่เขามา่า ร่างคว้านเพลินเนี่ยปางสะดุงม่านเนีทยบางทีมันเอามือพาดกันหน่อยสิตอนนางที่แหลกมันวะพราะสะดุงม่านกับมือตบออมาทางขวาเนี่ยนี่แหะอันนี้ว่าปางสะดุงม่านแต่ประเทศสีร่างกาเขาเมืองไทยเอาผราปางสะดุงม่านไปให้เนี่ยเขาบอรับเลยเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ท่านได้สําเร็จใช่ไหมยังสะดุงมาวว่านอยู่บ่อเอาวใช่ไหมต้องเอาปางสมาธิเนียวจันทราวาน่ย เออสีรลังกายเขาต้องการปางสมาธิแปลว่าสําเร็จแล้วเอาท่นไปสู่พญายวันลาบคาบแล้วอที่ปางสมาธินี่ยังปางสะดุงม่านอยู่นแปลว่ายังสะดุงม่านอยู่ยังมาทัานได้สาเร็จเสียนเขาอ่ะอันนี้คือสีร่างกาเขาวานเจ้าท่านเนี่ยพวกเขาไปถามมๆบ้างหน้าเอนี่แหละ อันนี้ก็คือผู้ไท้ฟังทางนี้ทางนั้นก็คือผู้ที่เขามาศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เขามาแบบซุกเอาเผากินลุกลี้ลุกล้นกระหลดกระลาดเนี่ยเขามาเลยก็จะมาดูถูกพระพุทธศาสนาอีกมันโมเมนตแนวเออมาเลยต้องศึกษาพระพุทธเจาเ้าในจุดประสงค์จังไดร่คู่บาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่หมันเออสายของพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของเขาเนี่เพิ่นเห็ดจงดังไหร น, นั่นีอพอเข้าต้องศึกษาในรายละเอียดนะเมื่อนี่หลวงพ่อเบาแนวความคิดให้กับคณะสัทธาญาณโยมผู้ที่จะมาบวชลูกบวชหลานให้ได้ฟังได้ศึกษ า, าตอนนี้ไปรับพร น, นะประสองค์อนโมทนาให้พร